การบูชาพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาบกระวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอากาบนมัส ก, การหลวงพ่อกมพระอาจารย์ทรงศิล์และก็เพื่อนสาธมิกในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพร แม่ชีแล้วก็อุบาสิาสกานะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตนะที่ป่าสุขโตแห่งนี้ก็นั่งําสบายนะ <c oughs> ก็ได้มากำานึงถึงคน เ, เราทุกคนเนี่ยนะสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสุข นะเราเริ่มกันตั้งแต่ความสุข <c oughs> จากการกินนะจากการได้สิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> สิ่งที่มาตอบสนองนะความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจจากได้กินอาหารอร่อยๆนะได้เห็นภาพสว ย, สวย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 ส่วนใหญ่นะ่ก็อาศัยวัตถุภายนอกนะ่มาบำรุงบำเรอนะ่าทำให้เกิดความพึงพอใจนะแล้วเราก็จดจำมันได้นะว่าอันเนี้ยเป็นความสุขเป็นความสบายซึ่งตรงนี้เนะี่ยนเราถ้าเราสังเกตให้ดีวัตถุภายนอกที่มาสนองความต้องการ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 นะคิดว่าชาตินหน้าเกิดใหม่นะ่าจะดีกว่านี้นะก็เล่นเรียกว่าโดนความคิดมันมันหลอกเอานะก็เป็นความสุขที่พยายามสแสวงหาโดยอาศัยวัตถุนะมาบำบึงบำเลอแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนี้นี่แหละนะเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ได้ได้เจอได้พบนะท่านสเสวยสุขอยู่ในวัง นะ เ, ปเป็นยุพราดนะเรียกว่าเป็ น, ปนคนที่อยกขึ้นเป็นกษัตริย์มีสิ่งบำรุงบำเรเทมทีนะ่ถึงจุดหนึ่งท่านก็รู้สึกเหนื่อยห น, น่ยนายเบื่อขึ้นมานะก็เลยอยากแสวงหาความสุขที่มั น, มนเหนือกว่านั้นนะซึ่งก็ท่านก็ไปแสวงหานะก็ไปพบความสุขชนิดหนึ่งนะก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุนะแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้น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 แต่ความปกติสุข <S eg u> ใ, ในใจเนี่ยนะบางทีมันมองไม่เห็นเพราะว่าความที่เราไม่เคยใส่ใจเราไม่ได้สนใจแล้วก็ในตัวเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มาบดบังก็คืออารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆความทยานอยากต่า ง, างๆความเคยชิ น, นตั้งแต่สมัยเล็กๆ เ, เราดำรงชีวิตโดยอาศัยความเคยชิน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 นะและททำให้เกิดความยินดีนะซึ่งเราเรียกว่ากามนั่นเองกามมาสุขคำว่ากามนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของผู้หญิงผู้ชายนะแต่คำว่ากามคำนี้มันคืออะไรก็ตามที่ทำให้เรายินดีนะแล้วเราก็ติดมันนะจะเป็นเพลงจะเป็นภาพยนตร์จะเป็ น, น, ปนรสชาติของอาหารอันนี้นเป็นกามได้ทั้งสิน้นนะเป็นกา ม, มาสุขซึ่งทาให้มันปิดบัง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 นั่งหลับตาไม่ต้องคิดอะไรนะนั่งนิ่งนิ่งเย็นสบายสบายนะอันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะเป็นความสุขอย่างพวกฤาษีซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะนิ่งน่งไม่รับรู้อะไรเลยนะซึ่งในประเทศไทยเราก็นิยมกันนะเป็นส่วนใหญ่และคนที่มาป่าสุกตัวหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่ามาแล้วมันน่าจะได้อย่างนั้นนะ คิดว่ามาแล้วก็มานั่งนิ่งๆสงบสงบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรนะนะพอมาถึงจริงๆมาฝึกแล้วโอ้โหทำไมมันคิดเยอะเหลือเกินนะยิ่งไม่ให้หลับตาอย่างี้โอ้หลืมตาอย่าง น, โโาางนี้แล้วมันจะเป็นมันจะสงบได้อย่างไงเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะติดข้องอยู่ในใจหรืออาจจะมีความสงสัยนะทุกขพรมนิยตามาเองได้อ่านหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณรยุทธ นะท่านพูดถึงเรื่องของกรรมฐานเนี่ยนะมันมีกรรมฐานใหญ่ๆอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือทำสมถะก็คือทำให้จิตสงบก่อนนะฮะทำให้จิตสงบแล้วก็ตื่นรู้เกิดวิปัสสนาต่อไปนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยแนวพุทโธแนวสัมมาอราังยุคหนอพองนอเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเนะึ่งวิธีการนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตก็คือไม่ผ่านด่านความง่วงส่วนใหญ่นั่งแล้วก็หลับไปเลยนิ่งไปเลยไม่ตื่นหรือจริงๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ต้องทาให้ถึงสงบแบบนิ่งแบบนั้นนะนะอย่างที่เราทำกันเนี่ยนะก็เรียกว่าเอาวิปัสสนาเลยนะก็คือมีความสงบพอนิดๆหน่อยๆพอให้เราไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากนะ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 ต้องฝึกกันอย่างหนักพอสมควรนะนั่งนิ่งนิ่งสงบสงบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยนะแต่วิธีที่สองเนี่ยเราเราจะสังเกตเลยว่าเราไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้เราลืมตาก็ได้อาศัยอิริยาบถของการเคลื่อนไหวนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงอนาปนสตนะิในประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะที่ส่วนโมกนะจร์พุทธธานนท่านได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียด นะมี16ขั้นตอนนะซึ่งตัวกระผมนด้มาเองได้เคยฝึกแต่ไม่ได้ฝึก16ขั้นนะฝึกในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นเองจากรุ่นพีนะ่สมัยที่ไปศึกษาใหม่ๆนะก็ได้ความสงบดีนะมีความปิตนะิมีความสุขในขณะที่เรานั่งสงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แต่พอตื่นมาทำการทำงานเนี่ยไปกระทบกับอารมณ์ต่างๆมันก็ยังโกรธอยู่ นะก็เรียกว่ายัางยังใช้ไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พยายามจะเรียนรู้มาแต่ไม่ได้มาเรียนรู้กับวิธีการเคลื่อนไหวนะแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะได้เรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะระยะรแรกแรกนี่ก็ฝังนไม่รู้เรื่องหรอกนะก็อาศัยท่านพูดอะไรมาเราก็ทำไปตามนั้นแต่เรามันประเภทนักศึกษาเป็นเช่คนช่างคิดก็ขี้สงสัยมันเป็นไปได้แค่ไหนยังไงพ แต่ก่อนเราคิดว่าสมาธิก็คือต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวนะแต่ น, นี่ลืมตาลืมตาไม่พอเคลื่อนไหวต่างหางไม่นั่งนิ่งๆ น, นะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสยัยมันจะสงบได้ยังไงแต่ความสงบอันนี้เนี่ยมันเป็นความสงบที่เป็นเป็นความตื่นรู้นะเป็นความตื่นรู้ในในความคิดในอารมณ์มันไม่ใช่เป็นความสงบแบบนิ่งแล้วไม่รู้อะไร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 มันมีอารมณ์มากระทบมีความคิดเข้ามากระทบเนี่ยโอ้โหมันเป็นคู่ซ้อมอย่างดีเลยนะนะเราได้ฝึกสติกับของจริงเนี่ยนะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะความง่วงอย่างเงี้ยโอ้โหมาเลยนะมันยกขยงมาเลยนะบางทีนะทีนี้พอเราทำไปเนี่ยเราก็บางทีเราก็ยอมสยบมันนะนะไอ้มันง่วงก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นี่เป็นลักษณะที่บางทีเราก็ไม่ทันมัน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 เราจะประเชิญแบบทื่อๆเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสติมีปัญญาเข้าไปช่วยมันก็โชคดีอยู่อย่างนึงว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีการมีมีของที่คู่กันคือมีมืดก็มีสว่างมีคิดก็มีไม่คิดมีเย็นก็มีร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้เท่าทัน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 นะการที่จะมาเรียนรูก้การที่จะมาพัฒนาจิตใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้เองทีนี้ในการฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยในะรูปแบบที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะก็เรียกว่าการเจริญสตนะิด้วยการเคลื่อนไหวนะซึ่งในพระไตรปิฎกก็พูดไว้ชัดก็คือสัมปชัญญะบัพพะอริยะบทบัพพนะก็คืออาศัยการเคลื่อนไหวปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะซึ่งวิธีการเนี่ย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 เป็นเองเนี่ยโอกาสที่เราจะหลงหรือโอกาสที่เราจะนั่งแล้วหลับเนี่ยมีโอกาสมากนะมันก็จะตกภวางได้ง่ายเพราะนั้นสติเนี่ยมันจะตื่นช้ามากนะมันจะมันต้องใช้เวลานานแต่วิธีนี้เนี่ยเราทากับกายเนี่ยซึ่งมันเป็นของของที่เรื่องง่ายคือของที่มันหยาบนะของที่มันใหญ่อ่ะแล้วมันเห็นชัดแล้วมันทาได้ง่ายทาตรงๆลงไปเราจะใสยสิ่งที่มีตัวตนเนี่ย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 นะโดยเฉพาะต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่หลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้ว่าถ้าผู้ใดทําให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะภายในสปีอย่างช้านะอย่างกลางภายใน1ปีอย่างเร็วตั้งแต่1วันถึง90วันเนี่ยความทุกข์จะลดลงทําท่าขนาด น, นั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่กัน7วันก็ดีสวันก็ดีเนี่ยนะ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 ปวดเมื่อยเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกกระพริบตารู้สึกไหมรู้สึกนะตรงเนี้ยลมพัดลมมันเป่ามาพัดโดนผิวหนังเรารู้สึกนั่นนี่คือความรู้สึกความรู้สึกที่กายที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกตรงเนี้ยการทําความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเรียกใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว เราอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่ใจเราจะไปในอดีตบ้างอนาคตบ้า ง, เ ร, ง, างเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยเพราะนั้นการมาทำอย่างนี้ก็คือกลับมารู้สึกตัวเลือกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นในสามวันเจวันที่เราอยู่เนี่ยพยายามเรียนรู้เรื่องพวกนี้โครงการาต่างๆความคิดอะไรต่างๆที่มันดีเลิศประเสริฐสีทิ้งไปเลยไม่ต้องเอามันเลย จะดีจะชั่วจะอะไรก็นำทิ้งไปหมดเลยกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆบ่อยๆแรกๆมันก็จ้องจ้องจดจดเป็นธรรมดานะเก่งๆธรรมดาเราก็สังเกตถ้ามันมึนๆนะมันมึนๆมันหนักๆเนี่ยก็ต้องหาทางวิธีการคลายอย่างบางคนเนี่ยเดินจงกรมก้มหน้าก้มตาเอาจริงเอาจังหนักขัวหนักต้นคอวิธีแก้ง่ายๆก็คือมองออกไปข้างนอก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 ถ้ามันฟุ้งซ่านมากๆแล้วกลับมาที่รู้สึกตัวอาจจะเดินให้เร็วขึ้นอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นหรืออาจจะทุบหัวเขา่าหาเรียกความรู้สึกกับตัวมาอยาไปตามความความคิดนะหรือแม้แต่ความง่วงเนี่ยก็อย่าไปสยบยอมหาวิธีการแก่นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องใช้สติปัญญานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถานได้เล ย, เลยทุกคนเป็นเหมือนกันตัวพระพุทธ ม, ม, มาผ่านมาก็ผ่านมาอย่างนี้เหมือนกัน เพราะนั้นอารมณ์อะไรต่างๆจะดีจะร้ายเช่นบางคนเนี่ยวันนี้เห็นมีอยู่คนมาไล่ฟังบอกโอ้โหเมื่อวานนี้มันปลอดโปร่งมากเลยนะอาจารย์แต่ น, นี้ทําไมมันง่วงง่วงแล้วมันมากันไม่ให้เราตั้งตัวเลยอะก็บอกในข้อหมายมาเราดูเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เพราะฉะนั้นที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อให้มันปลอดโปร่งตลอดเวลานะเรามาทําเนี่ยเพื่อให้มันดูอาการต่างๆเหล่านี้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 คนที่ฝึกปฏิบัติเก่าๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยู่เฉยเขาจะนั่งสร้างจังหวะบ้างบางทีก็คึนนิ้วมือเล่นบ้างนะไม่ได้นั่งเฉยๆคนที่นั่งนิ่งๆหลับตาเนี่ยนะเสียโอกาสเลยนะความรู้สึกตัวมันไม่ถูกปลุกขึ้นมานะนี่เป็นสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกตัวที่กายชัดมันจะเข้าไปรู้สึกในส่วนของจิตใจนะก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ความคิดต่าง แล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวเราอาจจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นคุณงามความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเราไม่ได้ฝึกเราก็จะตกเข้าไปอยู่ในกระแสะหรือในอารมณ์หรือในความคิดเหล่านี้เราก็เหมือนอยู่ในในคลืน่นทะเลเนี่ยจมไป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 ท่ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอานิสงหรือเป็นประโยชน์นะที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติแล้วนะมันคงจะไม่ไม่ถ่วงเเไปแค่มนุษย์เท่านั้นมันถ่วงเเพไปถึงสัมมสัตย์ด้วยนะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็อยากให้สัตว์เขามีความสุขด้วยนะต้นไม้ใบหญ้าอากาศต่างๆนะมันก็จะไม่เกิดการทําลายในสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอกับพวกเราที่มาใช้ชีวิตอ ย, อยู่ที่วัดป่าสุกตะวันแห่งนี้ก็พูดมากว้างความโดยสมควรนพะี้นี่รู้สึกไม่ได้เจาะจงลงไปในที่การปฏิบัติเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจะเน้นตรงที่การปฏิบัติเนี่ยที่พูดอย่างนี้ไม่ว่าเห็นคนใหม่มากันเยอะและบางคนอาจจะยังสงสัยลังเลอยู่นะว่า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 ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละเป็นตัวผ่านนะแต่ถ้าทำแล้วมันตันมันไปไม่ได้ก็พระอาจารย์ทรงศิลปนะ์หลวงพวกก่อกมหลวงพ่อคันเขียนนะท่านก็จะเป็นกรนารณามิตรนะในการแนะนำนะที่จะให้เราได้ผ่านทางตันนะที่ที่จากการฝุกปฏิบัติเพราะนั้นอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะ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 ความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นบ้านพักที่แท้จริงนะ่าเป็นความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้าทุกท่านเทินเจริญพร